พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าสุสิมะกุมารวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 พระในวัดของเราส9สรูปนะสมมเนนหนึ่งลงมาชันยี่งดสันงดชันส3บสานาคสามนี้คือฝ่ายฝ่ายพร ะ, พระสงฆ์นะฝ่ายในครัวอีกต่างหากนะฝ่ายอุบาสิกาในช่วงนี้หลวงพ่อมีจะพูดเกี่ยวกับเจดีเสาเข็มขององค์หลวงตาเขาก็รายงานมาเมื่อวาน เวลา 18:00 นทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้โทรไลน์มาบอกว่าเสาเข็มเดี๋ยวนี้ได้18ล้าน 500,039,143 บาท69เจตังค์ในราคาเสาเข็มทั้งหมด32ล้านนะ 32,125,680 บาทยังขาดยังขาดปัดจจัยเสาเข็มอยู่13ล้าน 13,536,000 13, 537บาทยังขาดอยู่13ลนะ้านเหพวกเ้านะศรัทธาญาติโยมเนะ 32, าะ32ล้านแต่ก็ยังเวลาอีกยังนานนี้เราะ สามเดือนครึ invece, ่งท AH ี่เราจะตอกเสาเข็มไปนี่น่ะตั้งแต่วันที่สามสิบเป็นต้นไปเซ็นสัญญากันสามเดือนสามเดือนครึ่งเพราะนั้นคงจะมีเวลาอยู่เงินสิบสามล้านกว่าๆนี่คงจะไม่มีปัญหาละมั่งแต่คาดว่าผู้มีศรัทธาทอยันกันมา ส่งเข้ามาเทายอยกันเข้ามาส่งโอนเข้าไปปัจจัยหลวงพ่อสุดใจเพื่อบัญชีเสาเข็มเนี่ยอันนี้ก็คือผู้มีศรัทธาถ้าผู้ไม่มีศรัทธาเพื่อก็มีอีกเหมือนกันนั้น่ะเพ่อเพืเ่อยังต่อต้านอีกอ น, นั้นไม่ต้องพูดถึงลนะให้หนีไปห่างๆผู้ที่มีไม่มีศรัทธาเหมือนสมัย องหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงน่ะไม่ใช่ผู้มีศรัทธาทั้งหมดนะผู้มาคัดค้านก็มีอทั้งไม่มีทั้งไม่ทาบุญแล้วยังมาคัดค้านอีกก็มีบอกว่าหลวงพ่อเอหลวงตาหาทองคําเข้าเข้าคลังหลวงหาเข้าทําไมเขาไปเอาไปเขาเขาไปใช้หมดนั่นแหละหาให้หาเข้าไปให้โง่ทําไมลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเอ้ยถ้าเราไม่มีศรัทธา เราไม่ต้องถวายลงตาแล้วเราก็ต้องไม่ต้องพูดอกีกถ้าเราม่มีศรัทธานี้ห่างๆไม่ต้องพูดพูดทําไมถ้าเรามีศรัทธานั่นอะ่ะค่อยถวายลงตาลงตาจะไปที่ไหนยังไงเราเชื่อในหลวงตาลงตาจะไปเทงไปที่ไหนก็สุดแท้แต่เราถวายลงตาเพราะลงตาต้องการ ไม่ต้องพูดไม่มีศรัทธาหนีออกให้ห่างถ้ามีคนอย่างเจ้าลมาพูดกับเราเนี่ยนะคงจะไม่มีใครถวายทองคาหลวงตาหรอกไอ้ทูตพูดที่เขามีศรัทธาก็มีอยู่เขาจะถวายตัวเองไม่มีศรัทธาอย่าเข้ามายุ่งหนีให้ห่างหลวงพ่อไล่ตะเพิดอีกต่างหากนะเพราให้ไลรเพราะไม่มีศรัทธาจึงจะทําไปทําไปก็ไม่ได้บุญ ผู้มีศรัทธาเออเอามาถ้าเราเชื่อในองค์หลวงตาแล้วนี้ก็เหมือนกัน่ะเราคิดดีแล้วออการที่จะช่างทาวอวัตถุบูชาพระคุณองค์หลวงตาไม่ใช่วง บ, บูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงตาท่านจุตินิรพานไปแล้วออท่านไม่รับพรับทราบท่านไม่ได้เราไม่ใช่ให้หลวงตานะออมีพระคุณหลวงตาเนี่ย ท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเราเราทําเพื่อบูชาพระคุณของท่านและก็บุญกุศลที่เราทําไปแล้วนะ่นมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของพวกเราใจของพวกเราเนะี่ยจะเป็นผู้ได้รับบุญรับกุศลหลวงตาที่ท่านไม่ได้รับรู้รับทราบเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะเราก็เอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาอ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไม่ไม่รู้ล่ะแต่พระคุณของท่านแต่ลงไปหมดในเมื่อเราบูชาพระคุณท่านแล้วนะบุญกุศลก็เข้ามาสู่จิตใจของพวกเรานะติดภพติดชาติไปนานเท่านานนะอย่างที่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี้อยู่ในนี่แหละ ที่สวดมนต์พุทธประลิตที่พระพุทธองค์เจเดจประทับไปเมืองเวสาลีที่คนตายน่คนทั้งหลายก็บอกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระมาหากษสัตย์คนถึงนับถือเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามากถึงขนาดนี้เพราะนั้นคนทั้งหลายจึงบูชาไปที่ไหนเห็นไหมนะ่ ทพระพุทธพพุทธเจ้าจะเด็ดไปเมืงเองเวสาลีนะพระเจ้าพระเจ้าพิมพ์พนะิสารเดินลงไปส่งพระพุทธเจ้าในแพรนะ์เพียงคอนะ่ยค่อยเดินกลับขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินนะทางนู้นกลมารับอีกเดินลงมารับน้ําเพียงคอนะมารับลากเรือเลือก克ากแพร์พระ พ, ระพุทธเจ้าเข้าไปหาฝั่ง แล้วก็ปูดอกไม้เต็มไปหมดปูทรายเสร็จแล้วก็ดูกดอกไม้กีบดอกไม้วางเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเดินไปถึงเมืองนันแะเขาทําด้วยความสุดออกสุดใจด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะพอพระพุทธเจ้าเป็นพระมาหากษัตริย์เป็นพระพุทธเจ้าคนจึงนับถือเลื่อมใส พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินพอได้ยินมาแล้วท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าวันนี้ประชาชนเขาสนทนากันอย่างนั้นและพระเจ้าขาดะพวกข้าพระองค์ก็เลยได้ยินก็เลยมาพูดคุยกันว่าเอเออย่างไงกันแน่พระพุทธเจ้าทำไมคนจึงนับถือเลื่อมใสขนาดนี้พระองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะเป็นอนิสงฆ์ของเราในอดีตชาตินะ อที่เขาปูดอกไม้เนี่ยที่เขาเคารพคารวะในคราวนี้ครั้งนี้เนะ่ะคือเป็นครองค้างครั้งค้า ง, ง, งเา่าคราวไปนะอันนี้สงของท่านเอแต่ว่าให้ออกมาโผเป็นละหลอกละหลอกเเหมือนกับพวกเราไปซื้อหวยลอตเตอรี่ถูกเป็นละลอกละลอกอย่างนั้นแนะ่ะไม่ใช่ถูกทุกครั้งนะอันนี้ก็เหมือนกันบารมีของพระพุเทธเจ้าที่แสดงออกมาแต่ละครั้ง ครั้งนี้ปวงบอกว่าคราวนี้ครั้งนี้ เ, เราะถาคต เ, าเกิดเป็นอยู่ที่เมืองตะกาศิล า, าแล้วก็ไปเรียนหนังสือกับทิศ ป, ปามโมกอาจารย์จากนั้น เ, เรามาก็ได้ามาแต่งงานก็ได้ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็เรามีเพื่อน ที่ดีของเราคนหนึ่งที่รักกันมากในเพื่อนคนนะี้แต่เขามาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่ส่วนเราตถาคตไปอยู่ที่เมืองตะกัศิลาเราได้ลูกชายคนหนึ่งที่เป็นที่รักมากลูกชายคน น, นี้นิสัยดีตั้งแต่วันเกิดชื่อสุชิมะสุชิมะกุ ม, มารแต่นี้พอเขาเรียน วิชาที่เมืองตะกัศิลาเป็นที่พอใจแล้วแต่นึ่เขาอยากจะเรียนวิชาอย่างที่พ่อเรียนเนี่ยจะหาเรียนได้ที่ไหนที่วิชาที่คุณพ่อเรียนคุณพ่อบอกว่าอืเพื่อนของเราเนี่ยเขาตั้งเป็นคณาจาร์สอนวิชาอยู่ที่เมืองพาราณสีนะถ้าลูกอยากจะไปเรียนหนังสือก็ไปเลยไปเรียนกับ พ่อเสี้ยวพวนีคือเป็นเป็นสหายและเป็นเพื่อนของพ่อแต่พอไปถึงให้ลูกถามหาเลยนะเขามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในกรุงพลาราณสีเขารู้ทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่าอย่างนี้นะถ้าถามอย่างนี้แล้วเขาจะรู้ทั้งลูกชายเขาเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้มุ่งมั่นในการศึกษาในการเรียนรู้อยู่แล้วเขาก็ เดินออกไปจากเมืองตะกัชิลานะพอไปถึงเขาก็ประกาศหาชื่ออย่างนี้ยังไม่มีไหมเขามีเขาบอกนี่ที่ไหนที่ น, นู่นสุซิมะเนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มเป็นคนที่นิสัยดีมารยาทดีหน้าตาอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปกับไปกราบคารวะคุณพ่อผมที่เมืองตะกัชิลาชื่ออย่างนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็น ภาษาหายกันเป็นสหายกันกับคุณพ่อตนยังส่งมาให้ผมเรียนวิชาอย่างนี้ทางผู้พ่อโอ้ได้ๆเป็นเพื่อนของเราจริงๆนั่นแหละไอ้พ่อของเธอเป็นเพื่อนสนิทเป็นที่พิถีรักกันเออดีแล้วเอามามาอยู่กับบ้านพ่อเนี่ยนะมาเรียนที่นี่ละตอนนี้เด็กหนุ่มคนนั้นก็มาเรียนวิชาความรู้จักอาจารย์คือว่าเรียนมาจากคุณพ่อที่เป็นเพื่อนของพ่อเนี่ย เป็นอาจารย์ เ, เรียนวิชาเพราะเรียนเรียนเรียนเรียนไปทัหาจุดจบไม่ได้ไม่รู้จะจบที่ตรงไหนก็เลยวันหนึ่งอายุมากขึ้นมาแล้วก็หลายปีมาเรียนกับอาจารย์ออมาเรียนกับคุณพ่อก็เลยเข้าไปหาคุณพ่อครับวิชาที่ผมมาเรียนกับคุณพ่อเนี่ยมันมีที่จุดจบไหมพ่อมันจบที่ตรงไหนมันมีวิชามีจุดจบไหมวิชาของงคุณพ่อ ทังคุณพ่อบอกอพ่อมองไม่เห็นต้นเห็นปลายเลยเรื่องวิชาไม่มีที่เคาดัดเรียนเท่าไหร่ก็ยิ่งกว่างขวางไปเลยยิ่งรู้ไปเลยยิ่งกว้างขวางไปเล ย, เ อ, า อ, ายอายุของพ่อก็เจสบกว่าปีได้ไงลุงพ่อมองมองไม่เห็นเลยวิชาวิชาที่มันจะจบจะสิ้นลงได้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งแต่พ่อเนี่ยมองเห็นมีลือสีอยู่กลุ่มหนึ่ง อยู่ในป่ายิมมาพานอจากนี้ไปกไกลพอสมควรอยู่นะแต่ถ้าว่าลูกน่ะอยากจะรู้วิชาจุดนี้น่ะให้ไปถามฤาษีกลุ่มนี้น่ะ mm. เขาจะรู้ได้ว่าจุดจบของวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ตรงไหนใครเป็นผู้รู้จุดจบของวิชานะวิชาคือความรู้นี่ให้ไปถามฤาษีกลุ่มนี้นะครับ พอเด็กหนุ่มนี่ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้อยู่แล้วกัน เ, เตรียมอุปกรณ์เดินทางด้นดัน้นไปคนเดียวเลยพ่อไปที่ไหนได้มันไม่ใช่ฤาษีเป็นพระปเจกพุทธเจ้าเองพระปเจกพุทธเจ้าท่านก็อยู่เป็นกลุ่มของท่านทั้งสี่ห้าร้อองค์แต่และกลุ่มคล้ายๆว่าเป็นวัดของท่าน เ, เวลาท่านจะบินทบาทท่านก็มองเห็นเออใครวันนี้จะใส่บาทท่านเกาะ แสดงฤทธิ์เหา้ไปไปแล้วก็ลงแล้วก็โปรดคนคนใจบาดเจแล้วก็เอาอาหารนํามามาแจกจ่ายถวายเก็บหมูฉันเพราะฉันกับต่างองค์ต่างอยู่บําอยู่พนท่านเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเลยเนี่ยต่างองค์ต่างอยู่ปฏิบัติของใครของเราด้วยวิหารธรรมของใครของเราตอนนี้สุสีมะเนี่หนุ่มเนี่ก็เข้าไปก็ไปกลับพระประเจกที่เป็นหัวหน้า บอกว่าข้าพระ อ, องค์ไปเรียนหนังสืออยู่ในเมืองพาราศรีอาจารย์แนะนามาแล้วก็ว่าจุดจบของวิชานี่ไม่มีใครรู้มีรตวกลุ่มพวกท่านที่อยู่ในป่าเนี่ยที่จะรู้ว่าจุดจบของวิชาก็ผมกึงอยากจะถามว่าจุดจบของวิชานั้นอยู่ที่ตรงไหน พ, พระปเจกบอกว่าเออพวกเรารู้ ในโลกนะั้นไม่มีใครที่จะรู้หรอกวิชาจุดจบของวิชาพวกเรารู้อถ้าอย่างนั้นกับผมขอเรียนอจุดจบของวิชานั้นได้ไหมครับผมอืมถ้าจะบวชถ้าจะเรียนนต้องบวชเทาก่อนนะะทําทตนให้เหมือนกับนี่แหละเหมือนกับเราเนี่ยอปองผมใส่ผ้ากาสาวะนี่แหละเราจึงจะสอนให้ คือพ่อพระพเจ้าพ่อพระเจคพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าคนนี้นะ่ยพอบวชเข้ามาแล้วเขาจะได้เป็นพระประเจคพุทธเจ้าใช่ไหมท่านรู้แหละท่นานญาณรัตนะท่านมองดูแล้วเนี่ยแต่เขามีภาระอยู่คือคุณพ่อที่เขาส่งมาเนี่ยเขาจะต้องไปกลับไปหาคุณพ่อเขาก่อนพะพระเจกท่านรู้ด้วยญาณรัตนะเออถ้าอยางนั้นกับผมขอกลับไปลาคุณพ่อคุณก่อนนะครับผมจะมาบวชเออ สุสีมากก็เดินดานทางมากับมาหาที่เป็นครูที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยคุณพ่อครับผมจะเข้าไปบวชกับอาจารย์ที่ท่านรู้จบวิ ช, ชาเนี่ยจุดจบของวิ ช, ชาเออเออกไปได้ลูกเอาท่านต้องการอะไรต้องการอย่างนี้อย่างนี้ครับเออเอาจัดให้แลก็เดินร่นด้านไปอีกพอไปพระปปปเจริญพระพุทธเจ้าก็บวชให้ พ่อบวชให้ท่านก็เรียนวิชาเถอนี่เรียนวิชากับเรื่องสมาธิสมาธิเนี่ยพอจิตใจสงบจากนั้นกพ็พิจารณาทางวิปัสสนาท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็เบื่อหน่ายคลายท่านก็ได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าเลยเถอนี่ยได้ตรัสรู้เลยเถอนี่ยเป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าอจุดจบของวิชาทั้งหลายที่ทั้งปวงอยู่ที่ใจเนีอย วิชาของพุทธศาสนาวิชาของพระพุทธเจ้าจุดจบวิชาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจใจเป็นคนคิดก่อนเอามาใช้สมองสมองเอามาบรรยายออกไปเถอะเนี่ผลในส่วกัสมองคิดได้มาก็ส่งเข้ามาหาใจอีกเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจจะว่ามัโนโปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยด้วยใจวิช e like าทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดถ้าจะเร like ียนรู้วิจบทาจุดจบของวิชาให้เรียนวิชาของใจเออตอนนี้กันั่งสมาธิก็ดูใจของตนเองพอดูใจของตนเองเท่านั้นอะเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดเหมือนกับแสงสว่างออกจากหัวเทียนไฟฉายอย่างนั้นแหละหัวเทียนไฟฉายมันออกไปมันออกไปยังไงมันออกไปจากหัวเทียนในเมื่อ มันมีหัวเทียนแสงสว่างออกไปถ้าอยากจะดับก็ดับที่หัวเทียนใช่ไหมมันก็ดับหมดมันก็มืดหมดเนี่ะนี่ก็เหมือนกันออกไปจากใจจนันอร์พอท่านได้สําเร็จเป็นพระปฏิเจกท่านก็นเลยกลับมาเยี่ยมพ่อท่านอีกเลยพ่อที่เมืองพระนสีกลับมาหาอีกพอพ่อส่งไปพอกลับมาก็มาสอนพี่น้องประชาชนช่วงระยะหนึ่งท่านก็ปรินิพาน ปรินิพานอยู่ที่กรุงพาราณสนะีในวัดแห่งหนึ่งที่กรุงพาราณสีทางพ่ออยู่ที่เมืองตะกัดชีลาเนะี่ยเอวิจลูกชายของเราไปเรียนหนังสือเนะี่ยทำไมหายเงียบไปเออไปที่ไหนเนาะพ่อเป็นห่วงนะเดอททางนี้พ่อเป็นห่วงก็เลยออกจากบ้านนะอายุคงจะหกสิบเจ็ดิบปีเดินทางมาหาลูกชาย พอมาถึงก็มาถามไทยครับว่าโอ้สุชิมะไปบวชกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าได้สำเร็จแล้วได้ตัดสรร้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าแล้วจากนั้นท่านก็มาโปรดไม่นานท่านก็เลยปรินิพานแล้วนี่แหละพวกเราได้สร้างสัทูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาสุผู้พ่อของสุชิมะเนี่ยทั้งที่เป็นลูกชายนะโอ้ ลูกลูกของเราเนี่ยได้ตัดสิรูเป็นพระปฏิเจกผู้ใจเจ้จาคือตำราพรามเขามีเนี่ยตำราพรามเขาบอกกันหนึ่งผู้ดใดตัดกิเลสก็คือไม่ไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการคือผูใ้ใดบรรลุสูงสุดของความรู้จากนั้นท่านโลละในกระดูกของสุสีมะลูกชายอยู่ที่นี่นี่ยจากด้นานบ้านโอ้เห็นแล้วก็ไปกราบร้องโ h o ร้องไห้ พรคิดถึงลูกชายลูกชายหัวแก้วหัวแวนเนเะเอยจากนั้นทางไปหาทรายมาเท่าที่หาทรายได้นในระแวกนั้นเนอะคือเอาผ้าคัมมาเอาผ้าจะใบของตอนเองนะไปโถกเอาทรายมาแล้วก็มาเกียลงบนเจดีนะพอเกียรลงเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะไปเอาน้ํามากับเอาน้ำที่กันโทของตอนเองเนี่ยมารดประพรมน้ำทรายเอ เพื่อบูชา พ, พระเจดีจากนั้นก็นไปหาดอกไม้เท่าที่มีในละแวกนั้นนะมากับมาปโปรยรอบพระเจดีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้นยขอให้เป็นปัจจัยหนุนส่งไปในปรรโลกภายภาคหน้าจงสุขสมบูรณ์ด้วยความสุขความเจริญด้ว ย, ดว ย, ดวยได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุด ได้ตัรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปาถนาในใจอยู่แล้วคือปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตทำเล็กทําน้อยทําอะไรก็ตามเนี่ยจะทําบุญกุศลอะไรก็ตามไส่บาตรตากบาตรักษาศีลภาวนาอะไรก็เทำท่านปาถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็น พระโพธิญาณในอนาคตตการอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านปรารถนานะสยามภูขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิญาณเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าจากนั้นท่านก็กราบเสร็จแล้วท่านก็กลับมาบ้านกลับมาเมืองตะกศิหลานจากนั้นท่านก็ได้ม ร, รณาภาพตามอายุสังขาร นั่นแหละอเนกสงฆ์ที่เราเได้กราบบูชาพระเจดีย์พระสุสีมะที่เป็นลูกชายของข้าพเจ้าที่ได้เป็นพระท่านที่เป็นพระประเจกพุทธเจ้าอเนกสงฆ์ของเราเราไปนะไปนะสถานที่ใดคนจึงได้เคารพคารวะเราอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้เห็นที่เราไปจากกรุงาราัชจะคืไปถึงเวสาลีนั่นแหละอเนกสงฆ์ของเรา ไม่ใช่อำนาจพระพุทธเจ้าไม่ใช่อำนาจเราเป็นพระมาหากษัตริย์ก่อนที่เราจะได้เป็นพระมหากษัตริย์กับบุญกุศลส่งเราก่อนที่เราจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากับบุญกุศลบรารมีของเราส่งเราจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แหละบุญที่เราได้ทําไว้นั่นแหะเป็นเครื่องเกื้อกูลเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งหยุดในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่เราเคยพา ดำเนินมาเนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพระภิกษุ ส, สงฆ์ในครั้งพุทธกาลนะถ้าพวกเราจะศึกษากับอ่านดูในพระไตรปิฎกเรื่องที่พระองค์ไปโปรดที่เมืองเวสาลีที่คนตายเยอะๆนั่นแหะในตําราเล่มนี้แหละนี่แหละเพราะนั้นเรื่องการสร้างพระเจดีย์สัตวพระเจดีย์มันเป็นมาตั้งแต่ดึกดําบรนตั้งแต่เก่าแก่เพราะฉะนั้นเรา คิดสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ไม่ใช่ว่าคิดได้คิดทําไม่ใช่ว่าต้นเดาเกาหมัดคิดได้แบบงงๆเ ง, งาๆไม่ใช่เป็นตํำรับตาําราเป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นการสร้างพระเจดีย์สไวงองหลวงตาถึงบรรจุพระธาตุกองหลวงตาแต่บั้งเบื้องบนเราก็บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระหาน迦สาวกไว้ข้างบนพยอดพระเจดีย์เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลพระนหลงพ่อเองในฐานะเทพเป็นผู้ผักดันให้สร้างเจดีย์พิพธภัณฑ์ของหลวงตาหลวงพ่อคิดดีแล้วนะบวกรบคุณหารทุกอย่างแล้วแลวก็ไม่เดือดร้อนผู้ใดใครผู้หนึ่ง ถ้าว่าผู้ใดใครก็ตามไม่มีศรัทธาอย่าเข้ามายุ่งให้นิออกห่างหางแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกต่างหากจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่ต้องคิด เ, เพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับเราเราไม่มีศรัทธาเราจะมาพูดทําไมอแล้วจะมายุ่งทําไมพวกเขาทําเขาทําเนี่แหละพวกเราทําหรือเอาทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความสนใจสังสมบัลลีไปไม่ถึง100ร้อยปีต่างคนต่างไปหรอก ถ้าเราทําก็ไม่เห็นมันจะทุกจนที่ตรงไหนถ้าทํากับเจดีลงตาและทุกจนเออบอกมาใครทําไปแล้วทุกข์โจนมีแต่ความสุขใจนะคิดเมื่อไรก็สุขมีความสุขใจการทํามาค้าขายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราทําถูกต้องถูกทางนะ เ, เป็นเสียจะได้เงินมามากมายไปหาป้อมซื้อหวยบอกไปหาน เ, เล่นให้โลบอกไปหานกินเหล้าเมายาซื้อหัวซื้อควายมาฆ่ากินเออนั่นะจิบหายแนะ่นะ ถ้าทําบุญอย่างที่พวกเราทําไปเนี่ยนะไม่มีแอกความจีบผายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบ่งจูแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งทําบุญมีมากกับทาบุญมากมีน้อยกับทาบุญน้อยแต่ทิศยังไงก็ควรจะทําบุญแต่เราซื้อกินเราอย่างซื้อกินวันละหวันละ10บาทร้อยบาทเราทําบุญสักห้าบาท10่บาทไม่ได้เหรอเอ่อเพียงไม่ใช่ทําทุกวันอีกต่างหากในชีวิตทั้งชีวิตเราสร้างพระดีย์ถาวายองหลว ง, ว ง, วงตาเนี่ย ไม่ได้เรยห ล, ลวงตาช่วยไปเทศชาติมาเท่าไหร่พวกเราคิดดูสิหลับตาคิดดูให้ดีสิคิดดีแล้วมีจะส่วนดีนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเนะแล้วก็ให้พวกเราคิดติดตามดูที่จริงไหมแต่หลวงพ่อมั่นใจจังได้พูดติปกล่าวให้ลูกให้หลานให้สัทธายาิโฉมพระเนรลูกหลานได้ฟังอภิสงอนุโมทนาให้พรนะพรนนะี้